พระบัญญัติ754ก็ภิกษุณีใดสั่งให้ซื้อของอย่างหนึ่งแล้วสั่งให้ซื้อของอย่างอื่นต้องอบันิสกิยาปาจิตตีเรื่องภิกษุณีทุลนันธาจก